พนอมน้อมต่อคุณพระตานาตราัรขอโอกาสเพื่อนสัทธมิตรทุกท่านจเจริญธรรมไม่ชี้และญาติธรรมทุกท่านวันนี้เราก็ปฏิบัติธรรมกันมา5วันแล้วเนาะวันนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครนี้เหตุใดที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมกันนะก็คือในพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนต่างๆอยู่มากมายเลยนะถึง 84,000 ื่นสพันธรรมขันธ์ แต่เมื่อเราสรุปแล้วเนี่ยก็จะได้ให้ง่ายขึ้นเนาะก็สามารถสรุปได้ว่าคำสอนของพระเจ้านี่ก็มีอยู่2 อ, อย่างก็คือให้เราเห็นทุกข์แล้วต่อมาก็คือให้เราไปบัตรเพื่อความพ้นทุกข์นั้นเนี่ยเท่านี้เองนะไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนยเพราะฉะนั้นถ้าเราจับประเด็นได้เราก็จะง่ายนะเพราะว่าเราประการแรกนี่เราเห็นทุกข์กันหรื อ, อยังนะอย่างที่เราก็สวดมนต์ธรรมชเช้าประจาชาติปิทุขา ความเกิดก็เป็นทุกข์ชะลาปีทุขขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกะปลิเทวะทุกขะโทมณสุปายาสาปีทุขขาความขับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจความต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นทุกข์ความที่เราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความกับประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่อประทานขันทั้งห้าเนี่แหละเป็นตัวทุกข์นะนะก็คือความทุกข์เนี่ยเรามีทางกายและทางใจนะเราได้เห็นนะความทุกข์และทางกายทางใจนี้ไหมนะประการแรกเราต้องเห็นความทุกข์ก่อนเนาะเราจึงมาปฏิบัติธรรมกันถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราได้เห็นความทุกข <c oughs> ์อย่างชัดเจนแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีแต่ความทุกข์นะความทุกข์ที่นะ ก็มีการกล่าวว่ามีแต่ท wa ุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกนั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปนีตรงนี้เราเราเห็นหรือยังเนาะเราเห็นหรือยังว่าขนาะนี้เราหนาวนะความหนาวนี้เป็นทุกหรือความเป็นสุขนะมันก็เป็นความทุกนะบางคนก็จะง่วงนอนนะมั่งง่วงนอนง่วงนอนนี้เป็นทุกไหมใช่ไหมมันก็ทุกนะเพราเราก็อยากจะนอนใช่ไหมบางคนก็จะหิวเนี่ยเราก็เป็นทุกแล้วนะเออมันหิวมันก็ทุก เนี่ยบางคนอาจจะปวดเมื่อยอยาก จ, จะขยับขยืน่นนะเราก็มันก็เป็นความทุกข์แล้วนะเนี่ยจริงๆแล้วมันความทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาเลยนะในทางกายเรานี่แหละนะอย่างที่ได้บอกแล้วว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็เป็นความทุกข์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกใช่ไหมเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความตายเป็นธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเป็นทุกข์ประจําสังขารอย่างหนึ่งนะที่เราหลีกไม่พ้นอยู่แล้วนะ ความทุกข์ที่จอนมาอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วนะความหิวความง่วงความปวดเมื่อยต่างๆเหล่านี้นะอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวต่างๆนี้ก็เป็นความทุกข์ที่จอนมาทั้งหมดใช่ไหมความทุกข์ที่จอมาก็มีมากมายเลยนะเดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนทั้งหลายลานี่แหละอะไรมีความทุกข์ที่จอมาเยอะแยะนะวันๆหนึ่งเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นในกายเราเดี๋ยวจะโดนยุงกัดบ้าง นะโดนอติ่งเหลานู่นเหล่านี้มารบกวนเราต่างๆเป็นความทุกข์ทางกายเท่านั้นเลยนะความทุกข์ทางกายนี่เขาเรียกว่าเราเราแก้ไขไม่ได้หรอกใช่ไหมให้หมดไปก็ไม่ได้อเขาเรียกว่าเราแค่บรรเทาทุกข์นะอเราหิวแล้วก็ไปทานอาหารเดี๋ยวก็หิวใหม่เราง่วงนะเราก็ไปนอนเดี๋ยวก็ง่วงนอนใหม่อีกแล้วนะหรือเราหิวอหรือเราปวดเมื่อยใช่ไหมปวดเมื่อยเราก็ ลุกมาเปลี่ยนหรืบท ไ, ไปยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวก็ต้องกลับมานะเดี๋ยวเราเราเดินนะเมื่อยๆเราก็ไปนั่งนะนั่งเราเมือ่อยเราก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาเดินเด็กนี่แหละก็เรียกว่าเราแก้ทุกนะเป็นการแค่เป็นการแก้ทุกเท่านั้นเองหรือว่าบรรเทาทุกนะแต่ความทุกข์ก็ไม่ได้หมดไปนะต่อมาก็มีความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจมีความทุกข์สองอย่างนะัคือทางกายและทางใจนี่แหละ ความทุกข์ทางใจเราเห็นหรื อ, อยังนะเราเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้เราเห็นนะทุกเป็นสิ่งต้องเห็นเนี่ยเราเห็นความทุกข์ทางกายเราเห็นทางความทุกข์ทางใจไหมนะความทุกข์ทางใจเนี่ยมีมากเลยนะบางคนที่ไปฆ่าตัวตายเนี่ยก็มีความทุกข์ทางใจ เ, เป็นหลักนะใช่ไหมบางคนเป็นลูกเศรษฐีแท้ๆมีความร่ํารวยมหาศาลนะพอผิดหวังจากคนรักนิดเดียวก็ไปฆ่าตัวตายเลยนะนะหรือบางคนเป็นเศรษฐี <c oughs> แค่ <c oughs> ทำทำธุรกิจขาดทุนไป <c oughs> เป็นแค่พันล้านเท่านั้นเองนะแต่เงินยังเหลืออยู่เป็นหมื่นหล้านเนี่ยก็ทนไม่ไหวไปฆ่าตัวตายก็มีใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยเราจะได้ข่าวคนที่ฆ่าตัวตายเพราะเหตุต่างเนี่ยเยอะเลยนะแต่เราไม่ก็จะได้ยินคนพิการหูหนวกตาบอดไปฆ่าตัวตายหรอกใช่ไหมเพราะว่าเขาทนความทุกข์ทางใจไม่ไหวนะความทุกข์ทางใจก็มีนะ่ะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละใช่ไหมความความโกรธนี่เราก็มีความทุกข์ นะเราโกรธใครนะเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมบางทีคนที่โดเราโกรธเนี่ยเขาก็ไม่ทุกข์หรอกแต่เมื่อเราโกรธเขาแล้วเนี่ยเราก็มีความทุกข์ความรักความชังความมิจฉาความหึงหวงความพยาบามความมาคาดความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดความกลัวทั้งหมดนี้ก็คือความทุกข์ทั้งนั้นเลยเนาะอารมณ์ต่างๆนี่คือความทุกข์ นะความพอใจไม่พอใจนะเราสังเกตไหมว่าเรามีความทุกข์อยู่นะนะบางคนบอกว่าเขาไม่มีความทุกข์เลยนะไม่มีความทุกข์เลยเลยนะเพราะฉนั้นเขาก็เลยไม่มาปฏิบัติธรรมเพราะเขาไม่มีความทุกข์เลยเลยนะอันนี้เขาก็ยังไม่เห็นความทุกข์นั่นเองนะแต่จริงๆมันมีอยู่ใช่ไหมนะความทุกข์คืออะไรก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคือความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เมื่อกี้เราสวดนาตตะรักสุนี่นนนแหละนะที่ถามปะยวคีรบอกว่า สิ่งได้ไม่เที่ยง <c oughs> สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าเห็นไหมสิ่งได้ไม่เที่ยงก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะความเปลี่ยนแปลงนีแหละคือความทุกข์เพราะเราเห็นไหมว่าความเปลี่ยนแปลงคือความทุกข์นะความเปลี่ยนแปลงในทางกายในทางใจเรามีทั้งวันเนเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกายและใจเราเมีแต่ความทุกข์ทั้งวันเลยแต่เราไปเห็นในตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นประเด็นสาคัญนะ ถ้าเราไม่เห็นความทุกข์นี่เราก็ยังไม่เห็นอริยสัจสี่นะอริยสัจ4ี่แปลว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งต้องรู้นะแต่ถ้าไม่รู้ความทุกข์นั่นแหละเราก็ยังไม่เห็นอริยสัจสี่อยู่ดีนะเพราะเราต้องสังเกตให้ได้ว่ากายและใจเนี่ยมีความทุกข์เพราะฉนั้นการปฏิธรรมก็คือปฏิบัติที่ไหนก็คือปฏิบัติที่กายและใจนี่เองนะให้ที่กายและใจเนี่ยก็คือให้เราตามรู้กายและตามรู้ใจนั่นเองนะงั้นเราจะประเด็นในถูกเราก็จะง่ายแล้วเออปฏิบัติที่ไหนล่ะ ที่กายและใจนะก็คื อ, อยังอย่างเช่นกายเป็นปกติอยู่ใช่ไหมอ่า ป, ปน็นปกติอยู่นะครา้นี้นะ ienza, เมื่อความปวดเมื่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่กายนั่นเองนะอ่ากายก็มีความปวดเมื่อยเราเห็นว่าความปวดเมื่อยก็ปรากฏขึ้นที่กายนะจากกายที่ปกติก็ตอนนี้มีความปวดเมื่อยปรากฏขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นความปวดเมื่อยก็เป็นสิ่งที่แปะปลอมเข้ามานะใจก็เป็นผู้รู้ไปรู้ความปวดเมื่อยเกิดขึ้นที่กายนะอันนี้นะ เราชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนะพอเราเห็นแล้วนะถึงความจริงว่ากายเนี่ยปวดเมื่อยนะนะแล้วความปวดเมื่อยนั้นตั้งอยู่นานไหมนะมันก็ตั้งไม่นานนะปรเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปแล้วนะเราลุกขึ้นมาเดินมันก็หายไปใช่ไหมในแสดงว่าความปวดเมื่อยมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับหายไปเนี่ยถ้าเรารู้แค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนะนะความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจเนี่ยเราเห็นไหมใจปกติก็ไม่มีอะไรนะ นะแต่ประเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนเข้ามานินทาเรามาว่าเรานะเราก็มีความโกรธนะความโกรธก็ปรากฏขึ้นในใจแล้วนะเราเห็นไหมว่าเออขณะนี้ความโกรธปรากฏขึ้นมาในใจแล้วนะเราใจก็มีความไม่ปกติก็คือเกิดความไม่พอใจขึ้นมานะนะความไม่พอใจเกิดขึ้นมาในใจเราแล้วนะคือความโกรธนั่นเองนะเราเห็นไหมนะเห็นความโกรธที่เกิดขึ้นมาไหมนะ แล้วความโกรดนี้ตั้งได้นานไหมนะความโกรก็ตั้งไม่ได้นานนะประเดี๋ยวเขาก็ดับไปอยู่ดีนะเนะขามาแล้วเขาก็ไปแต่ไม่ได้ไปเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะเราเห็นเออความโกรกเกิดขึ้นแล้วเขาก็มาแล้วก็ไปนีตรงนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วนะก็คือเห็นกายและใจที่มันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในอาการาต่างๆนี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนะถึงแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงในตรงนี้ที่เมื่อกี้เราสวดกัน ว่าทุกอย่างนะที่พระพุทธเจ้าได้ถามปัเจวัคคีย์ว่ารูปรูปเวทนาสัญญาสังขายญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกสิ่งใดไม่เที่ยงมีความแปลปวนไปเป็นธรรมดาเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือจะตามคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรา ไม่ควรตามคิดเช่นนั้นพระเจ้าค่านะพอหลังอย่างนี้พระเจ้าก็ได้ทรงอธิบายว่ารูปเบนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตาอย่างไรแล้วก็พอฟังจบแล้วพระบัญญัคิขีก็บรรลุปเป็นพระลานทั้งหมดเลยนะก็คือให้เห็นนะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นะแล้วเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นี่แหละเขาจึงไม่ให้ตัวไม่ตนของเรานะก็คือให้เห็นเรื่อนี้บ่อยๆนะอนะ เพราะนั้นการปฏิธรรมนี้เราไม่ได้ไปฏบัติที่ไหนก็คือกลับมาดูกายและใจนี่แหละให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตานั่นเองนะเห็นสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยจากการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเรามาเจริญสตินะก็มามาฝึกในการยืนเดินนั่งนอนบทใหญ่ใช่ไหมรู้รู้เท่าทันขณะนี้เรากําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนอยู่ไหมนะ บางทีเราก็ไม่รู้หรอกบางทีเรากำลังเดินอยู่แล้วก็คิดไปนะ ค, ปนนคิดไปนู่นคิดไปนี้นี่เราก็ไม่รู้กำลังเดินแล้วนะหรือเรานั่งยกมืออยู่ก็จริงนะแต่เราก็คิดถึงคิดถึงบ้านบ้างคิดถึงที่ทํางานบ้าง น, นี่เราก็ไม่รู้ความจริงแล้วเนะีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับขณะปัจจุบันนั่นเองนะตรงนี้น ะ, ะการลุ ก, กายนี่ต้องอยู่กับปัจจุบันเข้มั้ย ถ้าเราเดินจงกรมถ้าเราไปคิดเรื่องรู้เรื่องนี้เน่ยเราก็หลุดจากปัจจุบันนะเพราะว่าปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันก็คือความจริงในขณะนี้เท่านั้นเองน ะ, อ, ะอย่างเช่นเรานั่งนี่เราไม่ต้องนึกว่าเรากำลังนั่งใช่ไหมแต่นี่คือความจริงที่เรากําลังนั่งอยู่ใช่ไหมหรือบางท่านอาจจะนั่งพลิกมือคว่ำมือมือหงายพลิกมือคว่ำมือหงายนี่เราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราพลิกมือใช่ไหมนี่คือความจริงนะเราไม่ต้องคิดอะไรนะ หรือตอนนี้เราเห็นเห็นพระนั่งอยู่หน้าเรานะเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าขณะนี้พระนั่งอยู่หน้าเรานะเพราะนี่คือความจริงนะความจริงมันไม่ต้องคิดอะไรเลยนะความจริงนี่คืออะไรความจริงก็คือปัจจุบันนั่นเองนะปัจจุบันเราไม่ได้ไ่คิดอะไรนะแต่ถ้าเราเมื่อวานนี้เออเมื่อวานนี้เรากินข้าวกับไรเนาะอันะนี้เราต้องไปคิดแล้วนะหรือวันนี้เราจะกลับไปที่บ้านแล้วจะกลับยังไง นะกลับไปถึงบ้านตอนกี่โมงอันนี้เราต้องไปคิดแล้วนะเพราะนี่คืออะไรนี่คืออดีตและอนาคตนั่นเองนะมันจึงต้องไปคิดนะถ้าเป็นอดีตนะคตต้องไปคิดแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ต้องคิดนะปัจจุบันนี้ก็คือความจริงที่อยู่ต่อหน้าเรานี่แหละใช่ไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการประรรมส่วนหนึ่งที่เรามาเจริญสติกันก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็จึงไม่ต้องไปคิดนะ RAY? ไม่ต้องไปคิดนั่นเองว่าเร า, าจะทําอะไร เมื่อวานทำอะไรประเดี๋ยวจะทำอะไรหรือเมือ่อกี้ทำอะไรมาหรือจะไปทำอะไรต่อนะตรงนี้มันเป็นความคิดทั้งนั้นเลย rire. ความคิดก็คืออะไรคือความหลงไปนะหลงไปนั่นเองนะความคิดก็มี2อย่างนะคือตั้งใจคิดอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจคิดนี่มันหลงทั้งนั้นเลยนะหลงไปนไหนในไหนหลงไปในอดีตและอนาคตนั่นเองนะพอนการหลงไปในอดีตและอนาคตนั่นแหละก็คือความทุกข์นั่นเองนะ มันหลงไปนั่นน น, นั่นคือความไม่รู้แล้วนะนั่นคือการทุกความทุกที่มันเกิดขึ้นจากการที่มันหลงเมื่อเราก็ต้องเปลี่ยนหลงให้มาเป็นอะไรมาเป็นรู้นะรู้รู้คืออะไรรู้สึกตัวนะกลับมารู้สึกตัวก็จะอยู่กับปัจจุบันได้นั่นเองรู้สึกตัวอะไรรู้สึกว่ขาขณะนี้กําลังนั่งอยู่นะรู้สึกตัวขณะนี้กำลังพลิกมือนะนีะ่ถ้าเรากลับมารู้สึกที่กายปุ๊บมันก็จะอยู่กับปบัจจุบันโดยเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเป็นการออกจากความคิด มาแค่รู้เฉยๆรู้โดยไม่ต้องคิดนั่นคือการอยู่ปัจจุบันและเป็นความจริงนะตรงนี้เป็นหลักสำคัญในการที่เรามาเจริญสติปัฏฐานกันนะคราวนี้เราก็จะเห็นว่าเออเนาะเดี๋ยวความคิดมันไปมันก็กลับมาคิดแล้วไปก็กลับมานะเดี๋ยวมันก็คิดใหม่เดี๋ยวก็กลับมาใหม่นี้เราเห็นแล้วเออเราบังคับเขาไม่ได้นะ เ, เขาจะไปก็ไปเขาจะมาก็มานะเนี่ยกลับมาเห็นความจริงอย่างนี้บ่อยๆนะ เราสามารถเห็นความจริงได้ตลอดเวลานะอย่างเมื่อวานนี้ไปบัตรรมแล้วจิตจิตมันรู้สึกรู้สึกตัวได้ทั้งวันเลยนะพอมาวันนี้เรามันความรู้สึกมันไม่รู้หายไปไหนนะมันกลายเป็ว่ามันฟุ้งซ่านบ่อยๆนะก็แสดงว่าเราบังคับเขาไม่ได้นั่นเองนะบังคับเขาไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงไงใช่ไหมถ้ามันเทีย่ยมันก็ต้องเออมื่อวานดีวันนี้ก็ต้องดีเมื่อเช้าดีตอนบ่ายก็ต้องดีดีตลอดเวลาเลยดีทาวร น, นะ แต่ใเมื่อเราบังคับเขาไม่ได้เนี่ยเขาจริงไม่ดีถาวรนะเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะโดยการแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นนั่นเองนะเนี่ยแต่ถ้าเราโอ้เมื่อวานนี่เราดีวันนี้เราไม่ดีเรามีความทุกข์ทาไมเราแย่อย่างงี้นะเราไปบัตรธรรไม่ได้ผลเลยมาอยู่4ีห้าวันแล้วไม่ได้ผลเลยเพราะจิตพุ้งซ่านทั้งวันไม่ค่อยมีสติเลยอันนี้แสดงเราเข้าใจผิดแล้วนะ เข้าใจผิดเลยเพราะว่าเราเราไม่ยอมรับความจริงในพระไตรลักษนะว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองนะเราบังคับก็ไม่ได้เราคิดมันต้องเที่ยงต้องดีถาวร น, นะนี่แหละเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าเรากลับมาเห็นใหม่เออไปบัตธรมเพื่อเห็นความจริงนะเออนี่แหละมันก็เนะมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีนะไม่เป็นไรเนี่ยกลับมาเห็นความจริงตรงนี้นะว่าเราบังคับเขาไม่ได้เนี่ยเขาจึงไม่เที่ยงเราเห็นเนี่ย ตรงนี้คือความจริงมากกว่านะเราก็จะเห็นความจริงตงตรงนี้ได้นะนี่ตรงนี้ก็คือวิปัสสนาก็คือเรากลับมาเห็นความจริงนะแต่ถ้าเราบังคับได้เป็นอย่างไรนะบังคับได้ก็กลายว่าเราเก่งเราดีและวิเศษเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมาอีกตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าเราให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการอันนี้คืออะไรอันนี้คือสมถะนั่นเองนะาาทำอธิแทจริงก็คือให้เรารู้ไปตามที่เขาเป็น นะไม่ใช no? er ่ใ pues. ห nope. ้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะเพราะการที่เรารู้ไปตามที่เขาเป็นนั่นแหละคือวิปัสสนานะแต่การที่เราให้เขาเป็นไปตามต้องการเช่นเขาไม่ดีเราทําให้เขาดีนะเขาไม่สงบทําให้เขาสงบนี่แหละก็คือเป็นไปตามเราต้องการอันนี้เราไปบังคับเขาอันนี้ก็คือสมถะนะสมถะก็คือการที่เราบังคับเขาให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะเพราะงั้นการที่เราสามารถที่จะ กลับมาเห็นความจริงในกายและใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละจึงเป็นมิปัสนาเพราะเมื่อเราเห็นบ่อยๆเราเห็นบ่อยเราก็จะรู้ว่าเออจริงๆริงนะเราบังคับเขาไม่ได้นะเมื่อเราบังคับเขาไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเมื่อไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราจิตเราก็เริ่มที่จะเริ่มคลายความยึดติดในในร่างกายและจิตใจเรานี่แหละเพราะเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เลยจิตก็เริ่มปล่อยจากความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจว่าเป็นของเรา แล้วเนี่ยจิตมันก็จะพ้นจากความทุกข์ในตรงนี้ได้นะแต่ถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เราก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นยึดติดอยู่นะว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานี่แหละจิตมันก็ไม่ปล่อยนะเมื่อไม่ปล่อยมันก็ออกจากความทุกข์ไม่ได้นั่นเองนะเพราะความทุกข์เกิดจากการเราไปยึดกายและใจเป็นของเรานั่นเองเองนาะเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยได้มากหรือน้อยอเพียงใดนะอย่างเช่นที่เราได้ฟังที่ว่าธรรมจักร นะธรรมจักรคำว่าท้าสูตรเนี่ยพระเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมมากมายนะมีการแสดงอริสัต4นะทุกสมุทัยนิโรธมักนะทุกคือสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์ทั้งหลายใช่ไหมสมุทยัยนะก็คือนะสมุทัยนี่คือต้นเหตุที่ทํำเราเกิดทุกข์นะสมุทัยนี่เป็นหลักสําคัญที่เราจะต้องรู้เท่าทันนะสมุทัยมีอะไรบ้างนะก็ะมีตันหานั่นเองนะตันหา ตัณหานี่มี3อย่างนะสอย่างก็คือการมตัณหาก็คือรูปรดกลิ่นเสียงผดทาพัทธมลลมนะอันนี้ประการแรกนะก็คือเราไปติดในรูปรดกลิ่นเสียงผดทาพัทธมลลมต่างๆไหมนะมีความเพลิดเพลินไปในวลมต่างๆไหมอันนี้คือการมตัณหานะแล้วก็ภวตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายนะเราอยากจะได้ตําแหน่งสูงขึ้นไปอยากได้เงินเดือนสูงขึ้นไป หรืออยากได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ก็คือภาวะตัณหานี่ก็เป็นความทุกข์ต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะวิภาวะตัณหาก็คือเราก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ไปผักใสนะต่างๆที่เราไม่ชอบใจที่เราไม่อยากเป็นทั้งหลายแหล่นะความที่เราไม่พอใจความโกรธต่างๆเราก็ไปผักใส่เขานี่ก็เป็นวิภาวะตัณหานี่ก็คือต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเลย นะแล้วต่อมาก็เป็นนิโรธนะนิโรธคืออะไรก็คือความดับทุกข์นะนิโรธแปลว่าดับนะทุกข์นิโรตก็คือแปลว่าความดับทุกข์นะี่ยคือการแบบทำนี่ก็เพื่อให้สู่ความดับทุกข์นั่นเองนะความดับทุกข์คืออะไรความดับทุกข์นะก็คือว่าโยตัสาเยวะตันหายะอเสสสวิราคะนิโรโทจารโภปนิสักโคมุตินารโยมก็คือการที่เราจางคลายไปโดยไม่เหลือของตันหานั่นเองนะก็คือการทําให้ตันหา จางคลายหรือว่าให้เขาคลายออกจากตันหาจ า, จากใจของเรานะให้ตันหาไม่มีที่อาศัยในใจของเราน่แหละก็คือให้ตันหาเนน้อยไปแล้วก็หมดไปจากใจเรานี่แหละก็คือนิโรธนะแล้วต่อมาก็คือมัคนะ ม, มีองค์แปนะมัคมีองค์แนี่มีถึงแต่ประการนะแต่การเร่องสั้นนะโดยย่อคือเป็นให้เรามีศีลนะสติสมาธิปัญญานั่นเองนะนะเพราะเราปฏิบัติตามมัคนเราก็จะเข้าถึงนิโรธได้นั่นเอง นั่นเลยคือขนทางที่พระเจ้าได้ได้ทรงบอกกับเราแล้วว่าขนทางความดับทุกเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ว่าเมื่อเราไปบัติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นสภาวะความเป็นจริงไม่ว่าไปบัติธรทำก็เพื่อให้เราเห็นม่าใจรักนั่นเองนะในความที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงเป็นความทุกข์ความทุกข์ก็คือมันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้นะทุกอย่างมันทนในสภาวะเดิมไม่ได้มันจะเป็นความทุกข์ทั้งหมดเลย นะอย่างตอนนี้เราปวดเมื่อยนะเดี๋ยวเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดิน and, มายืนมานั่งมานอนต้องเปลี่ยนระบศนี่ก็คือการแก้ทุกข์เพราะมันทนในภาวะเดินไม่ได้นั่นเองนะทุกอย่างมันทนในภาวะเดินไม่ได้นะมันจึงไม่เที่ยงนั่นเองนะที่มันเป็นทุกข์และมันไม่เที่ยงก็เพราะว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะเราบังคับเขาได้เข า, เาก็ต้องดีตามที่เราต้องการทุกอย่างนะแต่เมื่อเราบังคับไม่ได้จึงไม่ตัวไม่ตนของเราเนี่ยถ้าเรากลับมาย้อนเห็นงี้ปั๊บเนี่ยการบัตรธรรเมื่อเราเข้าใจว่าเออจริงๆเพื่อเห็นไปไตักแล้วเนี่ เราก็จะรู้เลยว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไปเอาอะไรนะไม่ได้ไปปฏิบัติเพื่อจะเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาแต่เป็นการปฏิบเพื่อหเห็นความจริงมากกว่าเห็นความจริงในความที่เราบังคับเขาไม่ได้นี่แหละเห็นความที่เราก็ไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์ไม่ตัวไม่ตนนี่แหละเมื่อเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันก็จะเกิดการปล่อยนะการวางขึ้นมานะแต่ถ้าปฏิบัติเพื่อที่จะต้องเอาอะไรสักอย่างหนึ่งใ ห, ให้เขาดีตามเราต้องการให้เขาดีถาวรนะอันนี้ก็คือความทุกข์ อันนี้แหละก็คือเป็นภาวาตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะเราเราก็จะเป็นความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเราจะไม่ถึงจุดนั้นเลยเพราะว่าเมื่อถึงจุดนั้นเขาก็จะแดงความไม่เที่ยงว่าเออนะมันไม่เที่ยงนะมันก็ไม่ดีอย่างเก่ามันจะไปวนอย่างเก่ า, านั่นแหละใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เราก็มีความทุกข์มากเลยนะเออทำไมประวัติต้องหลายปีแล้วไม่ก้าวหน้านะออทำไมเรายังมีกิเลสอยู่มากมายนะมีความโลภความโกรธความหลงออมีความคิดฟุ้งตานมากมายนะ เราก็จะมีความทุกข์นะเพราะว่าเราอยากจะไปได้สิ่งเราต้องการนั่นเองนะแต่เราได้เราเราจะได้ตรงนั้นไหมเราไม่ได้หรอกนะเพราะเราบังคับเขาไม่ได้นั่นเองนะเนี่ยแต่ถ้าเรากลับมาเห็นความจริงตรงนี้เราก็จะไม่ทุกข์จากการปบัติธรรมเราจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเลยน ะ, ะมันจะตกกันข้ามจากการเราไปบัติเพื่อต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่านั่นคือภาวะตันหาภาวะตันหาเป็นอะไรก็คือสาเหตุแห่งความเกิดทุกข์นั่นเองนะแต่เราไปบัติเพื่อให้รู้ความจริงในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานั่นแหละ ตรงนี้ถ้าเราเห็นไปบ่อยแล้วจิตก็จะเกิดการคลายการไม่ยึดติด <c oughs> การปล่อยการวางการที่เรารู้ว่าเขาเป็นเช่ น, นั้นเองนะจิตมันก็ไม่ต้องการสิ่งต่างๆจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางจากความยึดติดต่างๆเหล่านั้นได้เอง <c oughs> สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เรามีความทุกข์น้อยลงเนะเนี่ยตรงนี้ก็คือ <c oughs> สิ่งที่ว่า่าเป็นประเด็นสําคัญในชีวิตเรา นะพอสักวันหนึ่งนะเราก็จะเห็นอย่างนี้จริงๆนะบางทีเราก็ฟังไปชช่นนี้เองแหละใช่ไหมอาจจะบางคนฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาโอ้ผู้ธรรม ะ, ะระดับนี้เราไม่ถึงหรอกนะเราไม่มีโอกาสจะถึงแน่นอนนะแต่สักวันหนึ่งเราจะค่อยๆเห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในชีพประจาวันของเรานั่นเองนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกลไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดเอื้อมแต่มันอยู่ในชีพประจาวันของเราเท่านั้นเองนะทุกวัน อ, อยู่กับการงาน อยู่กับการทํางานทุกอย่างนะเราเห็นในตรงนี้ไหมนะเห็นในสิ่งเหล่านี้มันจะมีกวนปรากฏอยู่เสมอว่าเข้ามาแล้วก็ไปนะบางทีเราเห็นคนไข้ามาเยอะๆเจ้ามาทอยกระถินทอยป่ากันหรือยังไงเนาะแหกกันมาเต็มไปหมดเลยนี่เราเห็นความงหงุดหงิดความไม่พอใจในใจเราไหมใช่ไหมนี่แค่เราเห็นตรงนี้มันก็เป็นการประวัติธรรมแล้วนะก็คือเห็นอาการที่มันผิดปกติใ น, ในใจเราแล้วเนี่ยใช่ไหมอาการพวกนี้มันอยู่ในนานไหม มันก็ไม่นานนะประเดี๋ยวมันก็ไปเนี่ยเห็นความจริงตรงนี้เข้ามาแล้วก็ไปเขาไม่ได้อยู่กับเรานานตลอดเวลานะเพราะเราไม่ได้ไปกุนยินนานหรอกกลับมารู้ขณะนี้เรากําลังเป็นอะไรอยู่นะใจเราไม่พอใจแล้วกลับมารู้แค่เรากลับมารู้ปุ๊บเขาจะอยู่ไม่ได้นะความไม่พอใจจะค่อยๆน้อยลงแล้วก็ดับไปเนี่ยกลับมารู้กายและใจเราบ่อยๆนะอ่า กลับมารู้ความจริงในใจเราแล้วเขาก็จะออกไปแต่ถ้าเราไม่รู้ความจริงในใจเราเขาจะอยู่ในใจเราในนานนะ <c oughs> บางทีเราถามคนไข้เป็นอะไรคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเราก็เริ่มโมโหแล้วถามอะไรไม่รู้เรื่องเลยชื่ออะไรยังจำไม่ได้เลยอยู่ที่ไงก็จำไม่ได้สักอย่างหนึ่งอาการจำไม่ได้สักอย่างหนึ่งเราหงุดหงิดนะเน <c oughs> ี่ยกลับมาดูความหงุดหงิดเท่านี้เองนะเราจะรู้ว่าเออเขามาแล้วก็ไปนะไม่ได้อยู่เรานานหรอกใช่ไห อย่าไปอยู่กับความที่เราไม่พอใจความหงุดหงิดทั้งหลายนะมันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดานะที่เราต้องประสบอยู่แล้วเราหนีไม่พ้นหรอกแต่มาถ้าเราไปทํางานอื่นนี่อาจจะหงุดหงิดยิ่งกว่า น, นี้นะอีกนะเพออาจจะทําแล้วมีความทุกข์เพราะว่าทุกวันนี้หางานยากนะแต่ให้เราพอใจกับงานที่เราทำนะเมื่อเราพอใจแล้วเราจะมีความสุขกับงานนั่นะนะให้เราพอใจเพราะว่าการที่เราทํางานบริการประชาชนนี่แหละตรงนี้คือนอกจากเราจะได้เงินเดือนแล้วเราได้บุญนะ การได้บุญหมายความว่าเราทําด้วยความเต็มใจด้วยความพอใจด้วยความตั้งใจที่จะบริการให้ให้การรักษาพยาบาลด้วยจิตใจที่กุศลนะด้วยความเมตตากรุณานะต้องการเข้าหายจากความทุกข์นี่แหละคือบุญกุศลแล้วนะแต่ถ้าเราหงุดหงิดไม่พอใจนี่คืออะไรนี่คืออกุศลที่เกิดในใจเราแล้วนะอกุศลก็คือเป็นกรรมเป็นบาปนั่นเองนะเนี่ยตรงนี้เราจะวันวันนึถ้าเราเข้าใจนะเราจะได้บุญทั้งวัน นะแต่เราไม่เข้าใจมันจะเป็นบาปเป็นกรรมทั้งวันเลยนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกสิ่งใดนะเลือกเลือกเลือกเราทํางานแล้วเราได้บุญหรือเลือกทำงานเราเร า, เราจะได้บาปนะตรงนี้เราสามารถเลือกได้จากการระวังใจให้ถูกต้องนะ เ, ออเราทำทำเพื่อบริการเขานะทําเพื่อจะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์นี่แหละเป็นบุญนะแล้วเราก็จะเห็นว่าเออความห ง, งุดหงิดความไม่พอใจมันมาแล้วก็หายไปนะมันไม่ได้อยู่ในใจเรานานหรอก นี่แหะคือการปฏิบัติธรรมแล้วนะมันไม่ต้องไปบอะไรเยอะแยะเลยนะมันก็เห็นความจริงตรงนี้เท่านั้นเองนะแล้วเราก็กลับมาอยู่ปฏิบันิบ่อยๆเออขณะนี้กำลังทำอะไรก็รู้กําลังฉีดยาก็รู้นะกำลังนวดก็รู้กําลังปิดผ้าพป็นแผลเขาก็รู้เนี่ยกลับมารู้ที่กายนี่มันก็ได้บุญแล้วนะนี่คือการปฏิบัติธรรมแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงเนี้มันก็มีได้บุญทั้งวันเลยมันไม่ได้เป็นบาปอะไรเลยนะเนี่ยตรงนี้ถ้าเราวางใจถูกต้องเนี่ยโอ้เราจะมีความสุขในการทํางานเนี่เราจะเห็นว่า การทํางานเราเนี่ได้บุญจริงๆนะนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็จะนําให้เรามีความสุขไปตลอดชีวิตเรานะแต่ทํางานด้วยความมีความสุขเราจะรู้สึกว่างานนี่แหละทำแล้วมีความสุขแต่ถ้าวางใจผิดนะเราจรู้สึกว่าโอ้ทำแล้วมีแต่ความทุกข์นะอันเนี้ยเราก็เหมือนกันเราอยู่ในนรกน ะ, ะเราก็ต้องเจอกับเขาทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคนต้องมาเยอะทุกวันอยู่แล้วเขไม่น้อยลงไปหรอกน ะ, ะประชาชนเนี่ยมีมากเลยๆนะอันนี้เราวางใจในตรงนี้ว่าเราตั้งใจทํางาน เพื่อ้เขาพ้นความทุกข์เนี่ยเราจะมีความสุขนะเราได้บุญในตรงนี้เนา ะ, ะเพราะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอรัฒนาบาลมีคุณพระตรไตรมาน้อมนำใ ห, ให้พวกเราทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอญ